ข้อที่55เพราะผู้ใดไม่คบพวกคนผ่านผู้นั้นชื่อว่าพวกบัณฑิตผู้ใดคบพวกบัณฑิตผู้นั้นชื่อว่าไม่คบพวกคนผ่านฉะนั้นคำทั้งสองนั้นโดยใจความก็เป็นคำเดียวกันนั่นเองเป็นคำเดียวกันก็จริงถึงอย่างนั้นบรรดาคำทั้งสองนั้นคำนี้ว่าการไม่คบพวกคนผ่าลหนึ่ง แม้ในคาถาที่หนึ่งนี้บัณฑิตเพึ่งเห็นว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อให้รู้แจ่มแจ้งแม้ความตรงกันข้ามนี้ว่าการคบพวกคนพานไม่เป็นมงคลคำนี้ว่าการคบพวกบัณฑิตหนึ่งบัณฑิตเพึ่งเห็นวาน่ว า, วาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อให้รู้แจ่มแจ้งแม้ความตรงกันข้ามนี้ว่า การไม่เคาบพู้บัณฑิตไม่เป็นมงคลเปรียบเหมือนบุรุษผู้ฉลาดในทางเมื่อจะบอกทางบอกทางที่ไม่ควรถือเอาก่อนแล้วจึงบอกทางที่ควรถือเอาในภายหลังอย่างนี้ว่าท่านจงละทางซ้ายจงถือเอาทางขวาเพราะผู้ใดละทางซ้ายผู้นั้นชื่อว่าถือเอาทางขวาผู้ใดถือเอาทางขวา ผู้นั้นชื่อว่าละทางซ้ายฉะนั้นคำแม้ทั้งสองนั้นโดยใจความก็เป็นคำเดียวกันนั่นเองเป็นคำเดียวกันก็จริงถึงอย่างนั้นบรรดาคำทั้งสองนั้นคำนี้ว่าจงละทางซ้ายเพิ่งเห็นว่าอันบรุษนั้นกล่าวไว้เพื่อให้รู้แจ้มแจ้งแม้ความตรงกันข้ามนี้ว่าจงอย่าละทางขวา คำนี้ว่าจงถือเอาทางขวาเพิ่งเห็นว่าอันบุรุษนั้นกล่าวไว้เพื่งให้รู้แจ่มแจ้งแม้ความตรงกันข้ามนี้ว่าจงอย่าถือเอาทางซ้ายฉะนั้นก็เพราะทำอธิบายอย่างนี้พระปู่มีพระภาคเจ้าจึงไม่ตรัสการครบบัณดิตก่อนตรัสการไม่ครบคนผ่านก่อนก็ผิดว่าพระองค์เพิ่งตรัสการครบบัณฑิตก่อนไซ้ อัจแห่งพานสับอันใครๆจะไม่รู้แจ่มแจ้งได้ด้วยการตรัสถึงบัณฑิตเมื่ออัดแห่งพานสับนั้นอันใครๆไม่รู้แจ่มแจ้งแล้วแม้การครบคนพานก็จะไม่รู้แจ่มแจ้งเหมือนกันก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาจะให้รู้แจ่มแจ้งถึงการครบคนพานก่อนฉะนั้นพระองค์จึงตรัสการไม่ครบคนพานนั่นแหละ ก่อนจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการไม่คบพวกคนพ่านหนึ่งดังนี้ก็ชื่อว่าทรงให้รู้แจ่มแจ้งถึงแม้การครบคนผ่านเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเช่นกับบุรุษผู้ฉลาดในทางฉะนั้นพระองค์จึงทรงให้รู้แจ่มแจ้งถึงการครบคนผ่านกล่าวคือการไม่คบบัณฑิตที่ไม่ควรถือเอา เช่นเดียวกับทางซ้ายก่อนแล้วจึงทรงให้รู้แจ็มแจ้งถึงการไม่คบคนผ่านกล่าวคือการครบบัณฑิตที่ควรถือเอาเช่นเดียวกับทางขวาในภายหลัง